อนุโมทนาบุญนะที่ได้มีโอกาสเปิดสถานที่เป็นที่จำหน่ายบุญแล้วก็ญาติธรรมได้มาร่วมใช้จ่ายในบุญถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันคนเราเนี่ยถือว่าการทำบุญเป็นสิ่งสำคัญมากเราจะมีชีวิตอยู่ได้บนโลกนี้นี่ด้วยสิ่งสองสิ่งรักษาเราอยู่คือ บุญรักษากับบาปรักษาถ้าบุญรักษาแล้วก็ชีวิตเราจะมีความสุขความทุกข์ความศ่อมหมองจะไม่เกิดขึ้นกินอิ่มนอนหลับเขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขอีกประเภทหนึ่งคือก็เรียกาบาปรักษาบาปรักษาเนี่ยมีสภาพที่อยู่ร้อนนอนทุกข์อันนี้ทางด้านจิตใจใเป็นสําคัญเพราะฉะนั้น ใครก็ตามกําลังอยู่ร้อนนอนทุกจิตใจยังเศร้าหมองไม่เป็นไรเรามีโอกาสที่จะปรับปรุงความทุบเราเนี่ยให้กลายเป็นความสุขได้อย่าคิดว่าคนเราเกิดมาต้องเป็นไปตามกรรมเสมอไปทุกคนนะจริงอยู่เราอาจจะอยู่ในการชดใช้หนี้กรรมแต่เราสามารถปรุงแต่งกรรมที่เรากําลังรับอยู่เนี่ยให้เป็นกุศลกรรมได้เพราะฉะนั้น ทุกคนมีโอกาสแม้ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงก็าตามโรคไปใครเจ็บรุมเรา้าหรือเราจะทุกข์ใจขนาดไหนแล้วก็ตามแต่เราไม่ทิ้งบุญไม่ทิ้งธรรมเท่ากับเราปรุงแต่งกรรมเก่าให้เป็นกรรมดีอันนี้มันเป็นเคล็ดลับเพียงนิดเดียวบางคนไม่เข้าใจในส่วนนี้โอ้เราต้องเป็นไปตามกรรมร้องไห้ฮือๆไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเป็นการเพิ่มปัญหาซ้าเติมตัวเองเรามีโอกาส สแสวงหาความสุขหรือมุศลได้ในสภาพที่เป็นทุกข์ทุกข์คือส่วนการชดใช้แต่การสแสวงหาใหม่นี่อันนี้คือสิทธิของเราไม่เป็นไรนะความทุกข์มีบ้างแต่ว่าเป็นยาชูกำลังดนตรีแต่และ ว, วงนี่มันต้องมีอะไรขัดขัดเกิดเกิดใช่ไหมเสียงมโหรีนะมันต้องมีเสียงกองป๊ะป๊ะป ะ, ป ะ, ป ะ, ปะไม่งั้นมันจะไม่มีความหมายดนตรีมันจะ จชชีวิตก็เหมือนกันมีทุกบ้างก็ดีแต่เราก็ไม่ยอมยอมจำนวนนะอันนี้ส่วนที่เป็นทุกส่วนเป็นบุญซึ่งเป็นความสุขเนี่ยเราก็อย่าปลอมมาเราโชคดีแล้วที่ชีวิตเรามีความสุขเป็นสิ่งสุดยอดปาฏิาริยทั่วเป็นบุญบุญกำลัรงรักษาเราอยู่แต่ว่าบุญมีโอกาสที่จะหมดไปได้ เหมือนสตางในกระเป๋าอะขึ้นห่างเดียวเดียวมามันลอยลอยลงไปเพราะนั้นมีโอกาสหมดไปได้เราก็อย่าประมาทพยายามสร้างไว้เสมอเสมอสร้างของใหม่ขึ้นมาแล้วก็รักษาของเก่าไว้คือฝ่ายที่เป็นบุญส่วนบาปกรรมความทุกข์ความเศร้านั้นอย่าไปนึกถึงถ้านึกถึงนี่เดี๋ยวมันก็มาหาเลยความทุกข์ความเศร้าอย่าไปนึกถึงเดี๋ยวมันก็หายไป อย่างวันนี้ที่เรากลาลังนั่งฟังเนี่ยอันนี้เป็นบุญนะบุญเกิดจากการฟังธรรมแต่ต้องตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยบุญไม่รักษาบุญไม่อยู่กับใจความตั้งใจเนี่ยเหมือนแก้วน้ำที่ว่างเปล่าเทน้ำอะไรลงไปมันก็มีโอกาสบรรจุน้าไม่ได้แต่ถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยเหมือนแก้วที่มีน้ำเต็มลิ้นเท่าไหร่มันก็หกมันก็ล้นนั้นใครตั้งใจฟังธรรมะ เราก็จะได้บุญได้บุญมากเรียนหนังสือก็เก่งเล่นกีฬาก็ดีเป็นบุคคลที่น่ารักที่สุดในครอบครัวอยากเป็นคนน่ารักไหมต้องตั้งใจตั้งใจฟังแม้ว่าผู้พูดเนี่ยอาจจะไม่ใช่พระอาจจะเป็นคนพิการอันนั้นแค่สิ่งภายนอกแต่สิ่งที่พูดออกมาเนี่ยเป็นธรรมะใช้ได้แล้วเวลาทีวีนะทีวีนี่มันไม่มีตัวไม่มีตนนะ มันเป็นแค่ไอวัตถุก้อนหนึ่งแต่ทําไมเราจ้องดูเอาดูเอเพราะฉะนั้นทีวีไม่สําคัญสำคัญที่เรื่องราวในทีวีที่จะสื่อออกมาเพราะฉะนั้นคนพิการสภาวะชนี้ก็ไม่สําคัญรอหรือไม่รอก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมีสาระใช้ประโยชน์ได้แล้วก็นำเอาไปส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไร้สาระอสองค์คืนเจ้าของมีหลายอย่างเรื่องบุญเนี่ยถ้าพูดแล้วก็เยอะก็ให้พระคุณเจ้าช่วยแนะนำ การฟังทำการรักษาศีลศีลห้าศีลแปนี่ก็เป็นบุญการทำสมาธิอันนี้ก็เป็นบุญการอ่อนน้อมถ่อมตนการอวยพรหรือพรอยินดีอันนี้ก็ได้บุญแต่ทำด้วยใจนะไม่ใช่ว่าเอาละขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณได้เงินเดือนสูงได้ตำแหน่งได้ราบได้ยศแต่ในใจนี่ไม่อวยพรด้วยนี่ มันไม่ได้บุญนะปากอย่างใจอย่างแสดงความดีด้วยเวลาใครร้องเพลงไพเราะปรบมือให้เขาเนี่ยใครตอบคำถามถูกเนี่ยปบมือให้เขาอันนี้ก็ได้บุญแต่อย่างไรก็ตามพูดถึงเรื่องบุญแล้วก็มันเป็นเพียงแค่ทำแล้วยังไม่หลุดเป็นกรรมจิตวากรรมขาวยังไม่หลุดยังต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ เพิ่เหลือถ้าประมาทนี่อาจจะตกอบายภูมิได้บุญเนี่ยช่วยได้แค่สุขติภูมิยังไม่ถึงที่สุดต้องกลับมาเกิดเบียยว่ายตายเกิดมาเป็นทุกข์บางทีมาเจอคนข้างๆที่น่าเบื่อได้ซ้าไปมีบุญชนิดหนึ่งที่เหนือบุญยอดบุญเหนือทุกเลยคือการภาวนาการภาวนาอันนี้ยอดบุญเหนือทุก ถ้าใครปฏิบัติเข้าถึงตัวภาวนาได้แล้วก็ปิดประตูบายปิดประตูบายไม่ต้องกลับมาเวียนไวไหวตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ตัดเส้นซึ่งวัฏสงสารเ้าเรียกว่ากุศลยอดบุญเหนือทุกกุศลแปลว่าการตัดตัดเส้นซึ่งกิเลสเพราะฉะนั้นยอดบุญนี่แหละเราควรจะทําเอาไว้มีญาติทําคนไหนที่ทําประกันชีวิตไหมประกันชีวิตเนี่ยดีนะทําให้เรา ได้มีความหลักฐานมั่นคงในชีวิตนี้แต่เชื่อไหมว่าบริษัทประกันชีวิตไหนก็ตามเนี่ยเขาไม่ยอมรับผมทําประกันเพราะอะไรคนพิการเขาไม่รับคนพิการก็ไม่รับทําประกันชีวิตบางครั้งเขาเชิญผมไปพูดที่บริษัทประกันชีวิตเลยนะเชิญผมไปพูดแต่ไม่ให้ผมเป็นลูกค้าเนี่ยโอ้โหนั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตแต่เชื่อไหมว่ามีบริษัทหนึ่งที่รับผมทําประกันบริษัทไหนต่อได้ไหม พุทธบริษัทไงโอ้พุทธบริษัทนี่รับนะคนพิการก็รับรับทุกศาสนาด้วยเนี่ยนูหนูเนี่ยเขารับทั้งกันนะรับทำประกันแล้วก็รับประกันด้วยว่าถ้าปฏิบัติตามคําสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็ประกันว่าจะไม่ตกอบายภูมิโอ้โหนี่บริษัทไหนมา้างประกันไม่ให้ตกอบายภูมิแต่พุทธบริษัทนี่ประกันนะไม่ตกอบายภูมิแต่ต้องมีเงืง่อนไขยอยู่ว่าจะต้องปฏิบัติธรรม ทำภาวนานั้นถือว่าเป็นส่วนสาคัญมากการให้ทานการรักษาศีลนี่ก็ดีอยู่แต่การทำภาวนาเนี่ยอาจจะเป็นทำสมาธิหรือว่าเจริญสติเจริญวิปัสนาเป็นส่วธิการทำภาวนาทั้งนั้นสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานทาเอาเลยแล้วแต่ว่าเราจะชอบใจตรงไหนทำได้เลยภาวนา แปลว่าทาจิตให้เจริญทำให้เจริญนั่นใครชื่อภาวนาดีนะชีวิตมีแต่เจริญเจริญแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเน้นที่จิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญ mm hmm. เพราะอะไรจิตที่ไม่เจริญเนี่ยมีคุณค่าเท่ากับสัตว์โลกทั่วไปนะ mm hmm. การกิน mm hmm. การนอนการเสพกา ร, mm hmm. ก, ารการกลัวภยัย มนุษย์กับสัตว์มีเท่ากันมีเท่ากันไหมมนุษย์ก็กินสัตว์ก็กินอร่อยๆทั้งคู่ด้วยสแสวงหาการกินการนอนการเสพการมการกลัวภัยมนุษย์สัตว์นี่เท่ากันแต่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถทาจิตให้เจริญได้ให้เหนือกับสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วไปคือเหนืออะไรเหนือกิเลสและกองทุกสัตว์ทาไม่ได้สัตว์ทำไม่ได้ แต่มนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาได้เรียกว่าจิตภรนนาเพราะนั้นสำคัญมากที่จิตใจคนเราเนี่ยสำคัญที่ใจนะที่เรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาสำคัญที่ใจถ้าจิตดีแล้วก็ร่างกายเนี่ยไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมีโอกาสแสวงหาความสุขได้คนบางคนเนี่ยเห็นไหมร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแล้วก็ ดูแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าถ้าจิตใจเขามีความฟุ้งซ่านมีความซ่อมหมองเนี่ยเขาจะสแสวงหาความสุขได้ไหมไม่มีทางเลยคนในเรือนจำเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรือนจำบ่อยนักโทษเรือนจำเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยล่ำบึกเลยสักมังกร8ตัวพันยันบุนเลยแต่จิตใจนี่โหดเทียมทารุณแต่ว่าคนที่มีสุขภาพร่างกายสุดโทมอย่างคุณแม่ร่างกายอ่อนแอ ดูแล้วเหมือนเป็นคนที่มีโรคไปแค่เจ็บไม่แข็งแรงแต่เราสามารถมีความสุขได้ใจในสําคัญกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยพิการแห้งๆอย่างนี้ดูแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนแต่มีสุขเหนือสุขเลยเพราะนั้นะสําคัญที่จิตใจปัญหาทั้งหลายมาจากจิตใจใช่ไหมมาจากจิตใจการจำการลืม มีไหมลืมแว่นตาลืมกระเป๋าตังค์ลืมนาฬิกาลืมมือถือลืมรองเท้าใส่คนละข้างก็มีอันนี้ปัญหาที่จิตใจแล้วก็มาเคขัวตัวเองโอ้เรานี่ขี้ลืมจิ้งโดสงสารร่างกายก็ร่างกายเขาไม่ลืมว้าที่ลืมคือใจแม่บ้านปรุงอาหารทานร่วมกันแล้วเอ๊มันขาดอะไรไปอย่างไม่ได้ใส่น้ำปลามันจืดอ้อนี่เราลืมเห็นไหะลืม เพราะนั้นถ้าเราฝึกจิตใจดีแล้วเนี่ยให้การขี้ลืมมันจะไม่เกิดขึ้นเลยยิ่งเรามีอายุนานบันเขาเนี่สัญญาเก่าๆนี่มันเก็บจําอะไรไม่มากมายข้อมูลมันเยอะมันก็มีโอกาสที่จะลืมได้ง่ายๆบางคนเป็นทุกข์โอ้โหนี่เราเนี่ยขี้ลืมจริงแต่ถ้าขี้ลืมนี่ก็ขอบคุณเขานะโอ้โหถ้าคนเราเกิดมาจำอะไรได้ทั้งหมดเนี่มันก็เป็นทุกข์นะดีแล้วที่มันลืมบ้างให้รู้แล้วกันว่าเราลืมไม่เป็นไร แล้วก็บางทีเวลาใจเราเสนอข้อมูลอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มจากใจก่อนพอเริ่มจากใจเสร็จแล้วออกมาทางกายทางวาจาปัญหาที่จิตใจพอเริ่มคิดขึ้นมาเนี่ยออกมาทางกายทางวาจาเลยพูดออกไปทาออกไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีสติเนี่ยนี่เราเสียดายนะโอ้เราไม่น่าพูดไปเลยเราไม่น่าทําไปเลยแต่เราพูดไปแล้วทําไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ ทั้งชีวิตไอ้คำพูดแค่คำเดียวคำว่าก็ได้คำเดียวท่านเองเนี่ยทำให้เราเศร้าหมองทั้งชีวิตก็มีคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเสียใจจากคําพูดคําว่าลูกที่บอกว่าก็ได้คําว่าก็ได้คําเดียวเนี่ยมันเหมือนคำคำหนึ่งที่เสียบแทงจิตใจแม่ไปจนตายเพราะฉะนั้นคําพูดบางอย่างการกระทำบางอย่างเนี่ยถ้าขาดการการกรองจากสติรู้ตัวอยู่กับความคิดอยู่แล้วก็ทําให้เราเศร้าหมอง ปัญหาที่จิตใจและความสุขความทุกข์นี่ก็อยู่ที่จิตใจเหมือนกันคิดเป็นเราก็เป็นสุขคิดไม่เป็นล้วก็ทุกข์ร่ำไปเราจะมองโลกในแง่ดีแง่ร้ายขึ้นอยู่ที่จิตใจถ้าเรามีสติปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเราจะไม่มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ไม่มองโลกในแง่ดีแล้วมองโลกยังไงน<อ> <laughs> เราจะมองโลกในแง่ความเป็นจริง มองโลกในแง่ดีก็ยังเป็นทุกข์อยู่ต้องมองโลกในแง่ความเป็นจริงว่าโโลกนี้มันมีเที่ยงเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอๆ ม, มองโลกในแง่ความจริงคือเราไม่สามารถจะควบคุมเขาได้โลกเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ถ้าเรามีการพัฒนาจิตเราจะเข้าใจชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงเราก็เข้าใจอย่างนั้นทุกวันนี้ที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไร เพราะเราใช้ชีวิตฝืนกับกระแสของโลกโลกมันไม่เที่ยงเราก็อยากให้มันเที่ยงโลกมันเป็นทุกข์ก็อยากให้มันเป็นสุขโลกต่างๆมันควบคุมไม่ได้แต่เราก็จะไปพยายามจะควบคุมมันใจเราฝืนกระแสของกฎธรรมชาติไม่ยอมหมุนจิตหมุนใจให้มันตรงกับความจริงเราจึงเป็นทุกข์เพราะนั้นการปฏิบัติธรรม การเจริญสติเจริญภาวนาก็เพื่อให้รู้โลกตามที่มันเป็นเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มจากกายเริ่มจากใจรู้จากกายตามที่มันเป็นรู้จักใจตามที่มันเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดมัน่นถือมั่นหรือไปควบคุมแต่ว่าทำกับเขายัางถูกต้องคนเราที่มีโรคไปแค่เจ็บเพราะ อ, อะไรเพราะว่าทำกับร่างกายไม่ถูกต้องถึงเวลากินก็ไม่ให้มันกิน ถึงเวลานอนก็ไม่ให้นอนฟุตบอลคู่นี้ก็สนุกนะแม้มันต้องตีหนึ่งเนี่ยแต่ต้องดูสักหน่อยไอ้ตาก็จะหลับแต่ใจก็จะดูเนี่ยโอ้สงสารร่างกายเราใช้เขาจนกระทั่งเขาต้องเจ็บป่วยแล้วเวลาเกิดปัญหาร่างกายเนี่ยเราก็ไปเป็นทุกข์เรียกธรรมชาติมันลงโทุบอย่างผมเนี่ยถือว่าใช้ร่างกายที่เปลืองขาดสติขาดปัญญาพาไปกระโดดน้ำจนทั้งคอหัก โอ้สงสารมันร่างกายเราใจก็จนต้องพิกลพิการโดยเขานี่ไม่รู้ตัวมาก่อนจิตเราเนี่ยขาดการฝึกฝนเราไปโกรธไปเครียดทำให้เป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคความดันเลือดสูงเพราะใจเราเนี่ยไปเครียดไปโกรธไปเกลียดไปทุกข์มีผลต่อสภาพร่างกายใช่ไหมอันนี้ ป, นปัญหามาจากใจ การฝึกจิตหรือการฝึกสติเนี่ยเพื่อรู้ทันกายรู้ทันจิตรู้ทันใจเราต้องมาอาศัยการเจริญสติเจริญภาวนาถ้าไม่มีตัวสติไม่มีตัวภาวนาในชีวิตปัจจุันแล้วก็ชีวิตเราจะมีแต่ความทุกข์เคยสังเกตไหมเรามักจะมองว่าศา ส, สนาพุทธเนี่ยสอนแต่เรื่องทุกข์ทุกข์ทุอะไรก็เป็นทุกข์น่าเบื่อทำไมไม่สอนเรื่องความสุขบ้าง แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยแยบคายมากท่านสอนว่าผู้ศาสนาเนี่ยสอนเรื่องความทุกข์แต่ท่านบอกวิธีการออกจากทุกข์ด้วยเห็นไหมชี้ปัญหาแล้วก็บอกสาเหตุของปัญหาและวิธีการพร้อมเสร็จถ้าเราออกจากปัญหาได้เมื่อไหร่เราก็ทุกข์ไม่เกิดแล้วก็เราจะมีความสุขสุขที่เกิดจากจิตที่ไม่เป็นทุกข์อะเห็นไหะ ทุกวันเนี่ยเรามีความทุกข์แต่เราแสวงหาสิ่งอื่นในกรบเกลื่อนความทุกข์ในตัวเราไปดูหนังไปฟังเพลงเพื่อคลายเครียดมันยังมีความเครียดอยู่ไปดูหนังไปฟังเพลงนี่มันเอาความสุขสุนารมากลบทุกข์แล้วมันจะสุขไม่เต็มร้อยสุขสุขทุกๆนะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเอาความทุกข์ออกจากใจอ้อยหดเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหนะั่นสุขเต็มร้อยสุขที่ไม่มีคําพูด มีแต่ความรู้สึกหรืออาการต่างๆโดยธรรมชาตินันเราต้องมาทำตรงนี้มาเจริญสติสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากยิ่งกว่าคุณพ่อคุณแม่เราอีกเพราะอะไรคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอุปการะเราแค่จบเท่าชีวิตของท่านแต่สติสัมปชัญญะนี่ตายไปแล้วก็สามารถ ช่วยเราได้พบหน้าชาติหน้าทุกพบทุกชาติช่วยเราตลอดเวลาเราอยู่คนเดียวสติสัมปชัญญะก็ช่วยเราได้นะ เ, เคยั้มอยู่ในห้อง ICU คนเดียวเนี่ยโอ้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเราไม่ได้หรอกเราแล้วต้องช่วยตัวเราเองใครเล่าจะช่วยเราได้ในตอนนั้นไม่มีอะไรเกินสติสัมปชัญญะคุณหมอก็ช่วยเราไม่ได้สติสัมปชัญญะ รวมลงไปหนึ่งเดียวเรียกว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือความรู้สึกตัวซึ่งเป็นภาษาไทยเราสามารถทําขึ้นได้เลยเราให้ทานและสาสีแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาเจริญสติเจริญภาวนาเป็นบุญขั้นสูงสุดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอีกแล้วทําบุญขั้นนี้กลัวไหมกลัวไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดไหมและยังอาลัยเมืองโโลกมนุษย์อยู่ าการฝึกสติเนี่ยง่ายๆทุกท่านนี่มีอยู่แล้วสติหนูหนูนี่ก็มีอยู่มีอยู่แล้วแต่เป็นสติตามสัญญาณ น, นะเนียเรามาที่เนี่ยใครนำมาสติพามาสติตามสัญญาณยังไม่พัฒนาแต่เราจะต้องพัฒนาสติที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันงอกงามยิ่งขึ้นเหมือนมเมล็ดพันธุ์โดยการฝึก ให้มีขึ้นอยู่เสมอๆการฝึกสติการเจริญสตินี่มีหลายวิธีมีมากมายทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่เป็นแนวการฝึกสติทั้งขั้ น, นการหลับตาบริกรรมาพุทโธก็เป็นการฝึกสติการบริกรรมมายุดนอฟ้องหนอก็เป็นการฝึกสติเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งแนวลงมาเทียนก็อย่างหนึ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะมาเจะพู้ที่เคยปฏิบัติแนวหลงมาเทียนเหมือนกัน ว่าเวลาไปพูดถึงเรื่องแนวหลวงุทธิที่ไหนนี่เขาก็จะไม่ค่อยรู้จักอะไรยกมายกมือป้ายไปไป้ายมาไม่สุภาพมันไม่เท่มันนั่งหลับตาเขาก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่อยากไปนำเสนอะจะเป็นแนไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแต่เป็นการฝึกสติเป็นบุญทั้งนั้นแต่ว่าสำคัญคือกา ร, การวางจิตวางใจในี่สำคัญมากทำไมต้องบริกรรมพุทโธ ทำไมต้องมีกรรมยึดหนอพังหนอ่อทำไมต้องดูลมหายใจทำไมต้องยกมือขึ้นไว้ไปมาสิ่งเนี้คืออุบายแต่อุบายนำมาซึ่งให้เรามีความรู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหมเราทำพุโทโธเนี่ยก็ต้องรู้เนื้อรู้ตัวถ้าพุโทโธแบบพุทเธอตามลมแบงนอกฟุ้งซ่านเนี่ยก็ยังไม่เข้าถึงตัวปฏิบัติยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวพุทเข้าเธอออก ออกไปนอกบูรณาเวทยังยังไม่ใช่การเจริญสตินะยกมืออแนวหลวงพ่อเทียนยกมือมือก็ยกแต่ใจนี่ไม่อยู่กับมือจใจอยู่โอหนี่มันได้เวลาเนาะเนี่ยจ ะ, จะเที่ยงจะเพลิจะต้องกลับบ้านแล้วเรายังไม่รู้นรู้ตัวเนี่ยเพราะนั้นวิธีใดก็ตามที่เราสามารถรู้สึกตัวได้เอาตรงั้นไว้ก่อนผมเองนี่เคยทําหลายแบบหลายวิธีแต่และ ว, วิธีเนี่ย ดีทั้งนั้นแต่ว่าไม่เหมาะกับสภาพของเราไม่เหมาะกับสภาพคนพิการไม่เหมาะกับสภาพคนที่มีจิตใจฟุ้งซ่านนอนไม่หลับมีแต่ความทุกข์เคยลองทำอยู่นอนหลับตาเอามือไว้บนท้องหลับตาก็ลองทําอยู่นะคุณแม่ก็ซื้อปลาต้งโกไม่ถุงนึ่งวางไว้ข้างๆคุณแม่ก็จะลงไปทํางานข้างล่างเผื่อลูกจะหิว ใครที่หลับตาหายใจเข้าพูดธิออ์ยอโตทํำตาสลึงตลอเลยจะหลับไม่หลับแหละ <c oughs> หนูเคยทํำไหมทาสมาธิหลับตาเคยไหมของลุงทําแบบนี้นะลุงก็นอนหลับตาพูดเข้าตัวออ ก, ท, ออกทักพักเดียวหนูเชื่อไหมมันมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบอยู่ตรงไอ้ข้างถุงบาตองโกรเนี่ยโอ้โหไม่กล้าลืมตาเอาแล้วเอาแล้วมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับเราสักอย่างหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชสร้างเสียงขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจ หลับตามีเสียงกรอบแกวแก็บไม่กล้าลืมตากลัวเจอผีผลสุดพอเสียงหายไปก็ลองง่ายๆตาดูสิโอ้ถุงม่ตั้งก้นกนี่มันเลื่อนมันเลื่อนไปข้างๆหาสักหนึ่งวาได้แล้วก็ไอ้คนที่เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ต้องคลานไปดึงเข้ามาเอื้อมมือดึงเข้ามาเอาใหม่อีกทีหนึง่งมันคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกคุณแม่คงจะวางไว้ไกลอ่ะคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลับตาพุทก็เอาโทรออก ทำท่าจะหลับอีกเหมือนกันนอนทำอะไรหลับทุกทีมันสบายใช่ไหมเวลาเรานั่งทําเรายังหลับเลยบางทีเดินหลับก็มีนะมีไหมถ้ามันจะหลับอ่ะอันนี้ผมนอนดำนก็ทำท่าเริ่มเอาอีกแล้วโอ้โหคนนี้ดังกว่าเก่าอีกเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบถุงมันต้องโกมันเลื่อนไปไม่กล้าลืมตากลัวเจอผีทีนี้พลืมตามาเจอถุงมันต้องโกไปไกลแล้ว ก็พยายามจะกระเสือกสนดิง้งก็มาเอ๊ะมันก็คิดนะทีนี้พอเริ่มทําดีมันหายง่วงเลยมันง่วงไม่ได้ดูว่าตัวมันจะเป็นยังไงพี่กลางวันแสกๆอ้าก็ลองหลับตาดูอีกทีแต่นี้ไม่กล้าหลับละแต่หลับตาแนละ้วไม่กล้าน่วงละสังเกตดูกลับดับอีกแล้วคราวนี้หละจะลืมตาดูสิเอ๊ะใจก็ถ้าไปเจอมีเขามีเขี้ยวจะทํำยังไงก็ใจลืมตาก็มาโอ้นี่เองหนู มันลากถุงกระตุ้งมันกลายเป็นหนูใช่ไมการหลับตาธรรมเนี่ยมันทําให้ง่วงแล้วก็ไอความคิดต่างๆเนี่ยมันก็ไม่หายยิ่งคิดมากไม่ใช่กคำถามไม่ดีนันดีแต่ว่าสภาพผมนี่ไม่เหมาะก็เลยมาสายการเคลื่อนไหวยกมือสีติจังหวะมันยังยกไม่ได้หรอกเมื่อก่อนเขยกได้แค่ข้างขวาข้างเดียวข้างซ้ายยกไม่ได้คนที่พิการแบบเนี้ย มันจะมีปัญหาคือพ่การไปถึงกระดูกที่หักเนี่ยนะกระดูกคอข้อที่ห้านี่หักคอหักเลยร่างกายส่วนล่างเนี่ยเขาจะไม่ไม่มีความรู้สึกแต่มีอาการชาชามากเนี่ยชาแล้วก็ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เลยเนึนกว่าจะปัดสวะก็ปัดสวะออกมาทันทีแล้วก็สภาพร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยมันจะอึดอัดมากเราเคยนั่งนิ่งๆแล้วอึดอัดไหม ผมเป็นอย่างนั้นนะอึดอัดการขับถ่ายก็ไม่เป็นปกติต้องใช้ ย, ยาสวนช่วยแล้วการหายใจเนี่ยจะหายใจลําบากมากหายใจได้ไม่ถึงร้อยเ็นต์หาใจอยู่แค่ปากแค่นี้นสั้นๆจะหายใจไม่ถึงจมูกอุดอัดหายใจไม่ค่อยออกถ้านั่งเฉยๆเนี่ยจะหายใจไม่ออกต้องมีการขยับเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการหายใจไอเดียเคลื่อนไหวนี่ก็ช่วยเขานะช่วยเขาหายใจสะดวกสะดวกและเวลาปฏิบัติเนี่ยท่าอยู่นิ่งๆเนี่ย มันจะยืดอัดใหญ่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยแขนนี่ก็ไม่แข็งแรงอย่างมือนี่นิ้วมือนี่ก็ยกมือไหวไม่ได้ต้องขออภัยไม่ใช่หญิง <c oughs> เจอพระกุณเจ้าก็ไม่ได้กราบไม่ได้ไว่ายก็ไหว้โดยใจเคารพโดยใจเนี่ยนิ้วมือก็เหยียดเหยียดไม่ได้งอยเงี้ยเนี่ ย, ยตลอดชีวิตอยู่อย่างเงี้ยความแข็งแรงในร่างกายเนี่ยไม่มีเลยก็มีส่วนศิรษาที่แกว่งไปเปลี่ยงมาเนี่ยพอได้อยู่ <c oughs> ส่วนล่างนี่ก็ ช่วยตัวเองไม่ได้ไปไหนต้องมีผู้ช่วยเหลือคนที่มาช่วยผมนี่มาช่วยผมทำความดีท น, นั้นน่ะนี่คือสภาพร่างกายแล้วพอ ม, มาปฏิบัติธรรมเนี่ยปัญหาคือทุกขเวทนารุนแรงมากทั้งที่ร่างกายมันจะไปตั้งนานแล้วตั้งแต่หปีแรกแต่มันก็อยู่มาได้ก็เพราะว่าทำรทำมรักษาธรรมะรักษาจึงมีชีวิตยืนยาวมาได้ไม่มีคนพิการแบบนี้อยู่ขนาดนี้หรอก เขาก็จากลาไปแล้วหลายคนมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคนปกตินี่แหละมาให้กำลังใจแต่เขาก็ไปก่อนผมก็มีนี่แหละพอจะมาทำกรรมาฐานก็มีปัญหาทุกขเวทนาก็รุนแรงแล้วก็ความคิดก็มากเสดายอดีตกังวลถึงอนาคตก็เยอะแล้วบางทีมันก็นอนไม่หลับ การพักผ่อนก็ไม่เพียงพอนี่คือปัญหาของของผมแล้วเรามาทํากรรมฐานแบบหลับตาเนี่ยเสร็จเลยเราต้องรู้จักดัดแปลงโชคดีที่มีกัลยะาณมิตรเป็นครูบาอาจารย์หรือ พ, รพ่อคำเขียนท่านแนะนาวิธีการเจริญสติสําหรับคนพิการนั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสามารถของท่านท่านไม่ได้เป็นคนพิการท่านไม่เคยมีประสบการณ์แต่สามารถสอนกรรมฐ า, านให้กับคนพิการได้ ถ้าบอกให้นอนพลิกมือเล่นพลิกมือเล่นนะไอ้ข้างไหนที่ใช้ได้เอาข้างนั้นนะทําอยู่ที่บ้านเนี่ยผมไม่ได้ปฏิบัติทำที่วัดนะไม่ได้เริ่มต้นที่วัดเริ่มที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันสามคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เช้าขึ้นไปทํางานในสวนไอ้เราก็ทํางานอยู่บ้านงานทางใจงานดับทุกขเป็นอาชีพใหม่ที่เราต้องทําอาชีพเก่าที่เคยเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเชิญออกแล้ว ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เหมือนเดิมมีไม่เท่าเก่าก็เลยออกไปเราก็เลยต้องกลับมาทํางานทางใจมาฝึกมีอาชีพใหม่อาชีพทำมาสานอาชีพดับทุกขนะมีผู้เจ้าเป็นผู้จัดจาการใหญ่เพราะคุณเจ้านี่เป็นพี่เลี้ยงไอเราเป็นเป็นพนักงานก็ต้องทํางานอาชีพดับทุกตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะยังยังดับทุกไม่ได้ดับทุกไม่ถึงที่สุดก็ต้องทําต่อไปถทำไมานอมพิกมือเล่นลองทํำดูที่ลองทําดูที่ ลองพลิกมือรู้สึกตัวพลิกมือคว่ำให้รู้สึกง่ายๆนะบางทีนอนยักคิ้วดึกดกึรู้สึกรู้สึกคือหาเรืองให้สติอยู่กับตัวเราให้มังค์โอจรในตัวเราจะออกไปไหนถ้าออกไปในใจก็จะฟุง้งไปย้อนถึงอดีตอนาคตกลับคืนมาทำอยู่งี่แหละง่ายๆข้อดีคือ ทำให้อยู่กับปัจจุบัน mm hmm. จิตใจไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็นอนหลับเลยคนที่นอนไม่หลับเราทาแบบนี้ดูสินอนพลิกมือเล่นนอนเคาะมือเล่นเรานอนไม่หลับเนี่ยเป็นเพราะความคิดความคิดมันปรุงแต่งสารพัดอย่างถ้าเราฝึกสติให้รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันจะลืมคิดนะมาอยู่กับการเคลื่อนไหวแต่สาคัญว่าอย่าไปบังคับเมื่อมันไม่หลับก็ไม่เป็นไร ถ้าไปบังคับให้มันหลับเนี่ยมันไม่มีทางหลับยิ่งบังคับมันยิ่งคิดเราต้องต่อรองอ่ะไม่หลับก็ไม่เป็นไรนะเราก็ถือโอกาสปฏิบัติธรรมเลยเราจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าเรานี้ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเอาการนอนไม่หลับเนี่ยให้เป็นประโยชน์ซะนอนพลิกมือเล่นนอนเคาะมือเล่นไม่ต้องคิดอะไรแค่รู้สึกรู้สึกกับการื่อนไหวเดี๋ยวมันก็หลับหลับสบายเลย ผมก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยนอนพลิกมือต่อมาก็นอนพลิกตัวอยู่บนเตียงพลิกควม่มพลิกงายดื่มน้ำทานข้าวทำอยู่บนเตียงทั้งวันเราได้อยู่กับปัจจุบันจิตไม่อยู่กับปัจจุบันนี่มันก็อินอิ่มนอนหลับแล้วมันก็ไม่ฟุ้งไปในอดีตอนาคตคนที่คิดฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตเนี่ยแปลว่าคนขาดสตินักเรียนนักเรียนหนูห น, หนูเนี่ย ที่เรียนหนังสือไม่เก่งก็เพราะขาดสติขาดสมาธิเวลาคุณครูสอนใจก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยจำบทเรียนไม่ได้แต่ถ้ามีสติมีสมาธิเราจะจำบทเรียนได้และจะเป็นคนเรียนเก่งจำแม่นชีวิตปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มีความสุขทุกวันทำไมเราจึงไม่มีความสุขเพราะเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน ถ้ามีสติควบคุมรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยเราจะกลายเป็นคนใหม่ทุกวันผมเองนี่มองตัวเองเป็นคนใหม่เสมอไม่คิดว่าผม เ, เป็นอะไรในอดีตชีวิตมันใหม่อดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยขอให้ผ่านไปไม่มีทางแก้ไขได้อย่าไปเป็นทุกข์ถึงอดีตถ้าเป็นทุกข์ถึงอดีตแปลว่าเราซ้ำเติมตัวเองทุกในปัจจุบันก็เพียงพออยู่แล้ว ทำไมเอาทุกอดีตมาร่วมด้วยปัจจุบันทุกไม่พอหรือนั่นแล้วก็ลากันไปกรรมเก่าต่างๆนั้นมาจากความคิดในอดีตทั้งนั้นเราเคยทำอะไรไม่ดีไว้ถ้าไปคิดย้อ น, นมาใหม่ก็กรรมเก่าส่งผลทันทีเลยถ้าไม่คิดย้อ น, นอดีตอยู่กับปัจจุบันกรรมเก่าส่งผลไม่ไ ด, ไดไ้อันนี้เป็นเคล็ดลับเพราะความคิดที่ย้อนไปในอดีตทำให้เราคิดว่าเราจะ เราไม่น่าทํางนั้นไม่น่าทำอย่างนี้น ม, นนมันซ้ําเติมตัวเองไปกินของเก่าร <c oughs> ั้นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นชวิถีใหม่แล้วก็มีความสุขชีวิตอนาคตเนี่ยังไม่มีนะอย่าไปกังวลอนาคตสวนอนาคตตอนนี้อยู่ปัจจุบันเนี่ยทำปัจจุบันให้ดีให้ถูกต้องแล้วก็ประเดี๋ยวอดีตมันก็ดีเองเพราะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นอดีตใช่ไหมยิ่งนานวันเนี่ยอดีตมันก็ดี ขอให้ทำปัจจุบันให้ถูกต้องส่วนอนาคต น, นั้นอย่าไปคำนึงถึงเมื่อถึงตอนนั้นเราก็ใครอาศัยสติใช้สติใช้ความคิดความอ่านของเราเนี่ยเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปอันนี้มันจะเป็นระเบียบที่เราไม่มีความสุขว่าอะไรอดีตมังอนาคตมาปนทำรายปัจจุบันจนเป็นทุกข์ดูเถอะคนใกล้ชิดเราเนี่ยทาไมเราจึงเบื่อหน้าเขา ทำไมอยู่เขาแล้วไม่มีความสุขเพราะเราไปคิดถึงตัวเขาในอดีตบางทีปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช่คนอดีตนะเขาเคยทําอะไรกับเรามาไว้แต่เราไปนึกถึงในปัจจุบันเนี่ยเห็นหน้าเขาปั๊บย้อนอดีตเลยเขาเลยกลายเป็นคนที่ไม่ดีสำหรับเราตลอดชีวิตโอ้ไม่ยุติธรรมปัจจุบันเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่เราก็มองตัวเขาไปในอดีตเนี่ยเขากลายเป็นคนไม่ดีสำหรับเราตลอดชีวิตเลยพราะนั้นต้องยุติธรรมมองเขาในปัจจุบันซะบ้าง เขาจะกลายเป็นคนใหม่ในปัจจุบันจะไม่เบื่อหน้าเขาคนน้องข้างๆเราก็ไม่เบื่อหน้าเพราะเขาเป็นปัจจุบันเห็นไหมคนสมัยเนี่ยเปลี่ยนคู่หาคนใหม่เพราะเบื่อหน้าคนเก่าไปหาคนใหม่คนใหม่เขาก็หน้าเบือบ่อเหมือนกันตัวเราเองยังเบื่อตัวเราเลยเพราะเรามองเข้าในอดีตทั้งหมดเลยไม่มองเขาในปัจจุบันเราจะได้เบื่อหน้าเขาเพวกเองนี่ใครเข้ามาใกล้คิดผมเจอหน้าทุกวันแต่เขาก็หน้ารักสำหรับเราทุกวันเหมือนกัน เขาทำให้เราหน้าเบื่อนั่นเพราะเราไปมองเขาในอดีตแต่ปัจจุบันในเขาไม่น่าเบื่อความสุขชีวิตคือการอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนี่เป็นเคลดลับลองนําไปใช้ดูชีวิตจะใหม่ของใหม่หมหๆคยๆก็ชอบเราอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ต้องรอปีใหม่รอสองกรานโอมทีตายก่อนถึงวันนั้นเปลี่ยนได้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวของเรากันจะดื่มจะเคี้ยว จะเดินจะนั่งให้รู้เนื้อรู้ตัวเราก็อยู่ในปัจจุบันแล้วแต่มีบางสีบางอย่างที่ทําให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันตรงนี้สําคัญนะคือความคิดความคิดเนี่ยทาให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ใช่ไหม <c ười> ขณะขก็นั่งฟังเนี่ยฟังอยู่มองหน้ามองเห็นก็อยู่เนี่ยทุกคนอยู่กับปัจจุบันเพราะตั้งใจฟังแต่พอเพลย์ปั๊บเน็ตเดียวแล้วโอ้โหเน็ตบ้านเราจะเป็นยังไงน้อเนี่ย กลับไปนี่จะไปทันไหมเนี่ยโอ้เนี่ ย, เ, ยเริ่มออกนอกตัวเองออกนอกบุญนิเวศแล้วเดี๋ยวมันจะกัดอนะความคิดเราไปนี่ถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความคิดอ่อนจะไม่เกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นที่ปัจจุบันศีลไข้รักษาสติรักษาสมาธิก็อยู่กับปัจจุบันถ้าขาดปัจจุบันเราก็เป็นฟุ้งซ่านเป็นนิวร์เลยปัญญาต้องเกิดขึ้นกับปัจจุบันเฉพาะหน้า อาการเกิดดับไม่เที่ยงมาคับบัญชาไม่ได้เป็นไตรลักษณ์ต้องเกิดขึ้นที่ปัจจุบันเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เราหลงจาปัจจุบันคือความคิดสําคัญนะความคิดทําให้เรานอนไม่หลับความคิดพาเราเข้าออเรือนจําพาเราเข้าออโรงพยาบาโลโรคจิตโรคประสาทใช่ไหมความคิดพาเราไปผูกคอตายพาเราไปกระโดดน้ําตาย คนที่ฆ่าตัวตายเพราะความคิดใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่มีใครบังคับเราเพราะความคิดมันโอ้โหเราเป็นทุกข์ละอยู่ไม่ได้โลกนี้ฆ่าตัวตายแต่แมวไม่ทําอย่างนั้นนะเคยเห็นแมวผูกคอตายไหมแมวมันไม่คิดมากไม่ปรุงแต่งมากเหมือนคนคนเราพอเริ่มคิดปับ๊บเราเป็นทุกข์ปับ๊บตายดีกว่าจิตมันสั่งสมเวลาหนึ่งอีกครั้งเวลาทุกข์ปับ๊บคิดฆ่าตัวตายดีกว่าจิตสะสมเวลาขั้นที่สอง ทกอีกคิดอีกว่าฆ่าตัวตายเดี๋ยวมันตายจนได้ระวังให้ดีเรื่องความคิดจิตเนี่ยมันสะสมกรรมแลว้วก็กิเลสความคิดเอาไว้เพราะนั้นการจิตลติเนี่ยก็เพื่อให้รู้ทันความคิดไม่ได้ห้ามความคิดนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีการห้ามอะไรไอ้ที่ห้ามนะไม่ถูกต้องเวลามันคิดก็ให้มันส ง, งบให้มันส ง, งบอันนี้ไม่ใช่ แต่การเจารณีนี่คิดให้รู้พอรู้แล้วก็จบเลยความคิดจะดับไม่ดับนั้นแล้วแต่ความคิดแต่เรารู้กันแล้วกันแต่คนมีสติมากๆเนี่ยพอคิดปับ๊บเห็นปับ๊บมันดับปุ๊บทันทีเลยสติยังไม่มากเนี่ยเขาก็จะไม่ดับเพราะงการฝึกสติก็เพื่อให้รู้ทันความคิดให้รู้ทันความง่วงไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ง่วงใครปฏิบัติทำนี่ห้ามความง่วงนี่อันตรายนะทําให้ง่วงนี่ทํายังไง ขอยาหมอนะถ้าไม่คิดเลยทอยังไงคนตายนะนั้นทุกอย่างไม่มีการห้ามมีแต่การรู้เท่าทันการรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยในเรว่าต่างๆเนี่ยช่วยเรารู้ทันในความคิดเมื่อรู้จักความคิดแล้วเนี่ยมีหลักอยู่ว่าอย่าไปทาตามความคิดอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดให้เป็นผู้เห็นความคิดอย่าเข้าไปเป็นผู้คิด แต่ถ้ามันเข้าไปแล้วกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวยกมือสร้างจังหวะพลิกมือเล่นกลับมาอยู่กับกายกายนี่มันไม่คิดอะไรหรอกปลอดภัยล้วอยู่กับกายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นความคิดอย่างเนี้มันจะปลอดภัยการเดินจงกรมก็ช่วยให้จิตมันเจริญได้นะก้าวเท้าไปเท้ากับตัพื้นก็รู้สึกตัวก้าวเท้าไปเท้ากับตัพื้นก็รู้สึกตัวมีสติอยู่การเดินจงกรมพราะเองเดินจงกรมไม่ได้หรอ เคดูคุณพ่อเดินจงกรมแล้วก็เราก็พลิกมือตันจังหวะคุณพ่อเดินจงกรมได้สติเหมือนกันอาศัยนี้มิจากคุณพ่อเดินทีละก้าวทีละก้าวเราก็ได้สติโดยการพลิกมือตามจังหวะได้เหมือนกันการเดินจงกรมการนั่งยกมือสร้างจังหวะการนั่งดูลมหายใจการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยสามารถปลุกสติได้ทันทีเลยในแต่ละวันเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวทั้งนั้นนอกจากเวลาเราหลับกายจะเคลื่อนไหวทั้งวัน อาศัยปลุกสติได้จิตมันก็คิดทั้งวันเหมือนกันเราสามารถรู้ตัวเวลามันคิดได้ใช่ไหมเวลาหลับคิดไหมเอ้าทำไมจะไม่คิดกลางคืนนอนฝันกลางวันนอนคิดไงบางเผลอกลางวันเนี่ยบางทีมไม่ค่อยคิดแต่กลางคืนคิดมากเลยซ้ําไปบางคนคิดตอนกลางคืนรล้วว่าฝันแต่ว่าตอนฝันตอนหลับแล้วก็ปล่อยเข้าไปถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาให้เขาทำหนาที่เขาบ้าง แต่กลางวันเนี่ยให้มีสติรู้ทันไม่ได้ห้ามนะแต่รู้ทันความคิดมีสองแบบกิเลสคิดเนี่ยคิดอย่างไรกับสติคิดกิเลสคิดนี่เราจะไม่ตั้งใจกิเลสที่ทาหน้าที่กิเลสเขาต้องดีดีนะเขาทําหน้าที่ของเขาเขาก็คิดโลภตะพืชคิดโกรธอยู่เรื่อยคิดแบบหลงๆคือกิเลสคิดเขาทํำหน้าที่ของเขา ให้สิทธิ์แต่ถ้าสติคิดเนี่ยละอ่างนะคิดเกื้อกูลอยากช่วยเหลือคนอื่นคิดในฝ่ายแม่ตาไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้ามีสติล่ำจะคิดในแนวที่เป็นกุศลนะงนับเลยถ้าขาดสติกิเลสคิดเมื่อยแล้วก็จะคิดในทางที่เห็นแก่ตัวนำมาซึ่งความทุกข์ดันั้นถ้าเราฝึกสติอยู่เสมอๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เร ง, งเนี่ย มันจะคิดแต่ทางที่เป็นกุศลทั้งนั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้ฝึกสติคิดที่ร้ายก็โอ้โห ท, ทําไมถึงต้องเป็นเราเราไม่น่าเลยเราไม่น่าเป็นอย่างนั้นเราไม่น่าเป็นอย่างงี้เราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราน่าจะเป็นอย่างงี้มันคิดไปทางนั้นอะ่ะก็ถูกของเขาถูกของความคิดที่ไม่มีสติควบคุมแต่พอมาฝึกสติแล้วเนี่ยโอ้มันคิดไปคนละเรื่องเลยเอะความทุกข์ก็ดีเนาะทําให้เราได้รู้จักตัวเองเห็นไหม เรื่องเดียวกันนะแต่ว่ามันพลิกกลับมาเป็นส่วนที่ดีประโยชน์เราได้ความทุกข์ก็ดีเนาะทำให้เรารู้จักช่วยตัวเองขอบคุณความพิการขอบคุณความทุกข์ทำให้เรารู้จักชีวิตมากยิ่งขึ้นทำให้เราค้นพบตัวเองเพรา ะ, ะนั้นคนที่มีความทุกข์มีปัญหาชีวิตลองฝึกสติเดียเราจะพลิกจากความทุกข์มาเป็นความสุขได้ทันทีเลยนี่เพียงแง่คิดนะ ถ้าฝึกมากๆเข้าถึงความรู้แลรู้ตัวเป็นภาวะที่ดูเนี่ยจะเป็นผู้ดูความทุกข์นะทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ความวุ่นวายในโลกนี้ยังมีอยู่แต่ไม่มีผู้วุ่นวายนิพพานมีอยู่แต่ไม่มีผู้เข้านิพพานมันขนาดเจนนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตของเราเนี่ยสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาเลย ทุกคนมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เจดวันเจ็ดเดือนเจดปีถ้าฝึกสติรู้เนื้อรู้ตัวอย่างตอนเนื่องถ้าไม่เป็นพระาราหันก็เป็นพระนาคามีในภพชาตินี้ถ้าไม่เป็นอะไรเลยก็เป็นคนดีคนที่เข้าถึงตัวสติเนี่ยเป็นตัวอบายภูมิได้สติเป็นตัวกั้นกระแสของอบายภูมิได้ อบายภูมิเกิดที่ไหนเกิดที่ใจเพราะคิดรักคิดโกรธคิดเกลียดคิดกลัวอิจฉาริสยาหึงหวงนี่คือความพิการทางจิตตกอบายแล้วแต่ยังไม่ตายแต่ถ้ามีสติอาการนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นฝึกอาไว้แต่ละวันคนที่เจริญติอยู่เสมอๆ อ, อยู่ในเรืยงๆเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมชีวิตจะเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ อยู่ในร่างเก่าเปลี่ยนชีวิตใหม่นี้มีร่างกายใหม่นะคนอ้วนก็อ้วนเหมือนเดิมคนผอมผอมเหมือนเดิมแต่จิตมันเปลี่ยนใหม่มันเปลี่ยนที่จิตใจไม่ได้เปลี่ยนที่ร่างกายเป็นชีวิตใหม่เปลี่ยนที่จิตใจแล้วก็ได้ที่พึ่งเห็นคุณค่าของการมีชีวิตเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมโอ้คุณพ่อคุณแม่นี่สร้างเรามาเพื่อให้มาทําอย่างนี้เพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาดับทุกข์ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไหนไอเราเกิดมาเพื่อเป็นทุกข์หรอก ใช่ไม่มให้เราดับทุกข์ให้เรามีความสุขแล้วเราก็ตอบแทนบุญคุณท่านโดยการปฏิบัติธรรมให้มีความสุยกับท่านเห็นนี่คือการตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่เห็นเราแล้วมีความทุกข์นี่ท่านไม่สบายใจแต่ถ้าเรามีความสุขหรืท่านสบายใจสุขจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ใช่จากการดื่มเหล้าดูหนังฟังเพลงสุขเยน็นเย็นให้ท่านเห็นยิ้มยิ้มให้ท่านเห็นเนี่ยถ้าก็มีความสุขแล้วเราเองก็ได้ที่พึ่ง เราการเป็นคนที่มีคุณค่าจะรู้จักคําว่ากําไรชีวิตกําไรชีวิตนี่ไม่ใช่ไปเที่ยวฮ่องกงนะไม่ใช่ไปเที่ยวเมืองจีนนะบางทีไปเพิ่มกิเลสหรือซ้าไปกําไรชีวิตคือเกิดขึ้นมาแล้วใช้รูปนามขันท่าเนี่ยให้ประโยชน์กับตัวเราแล้วก็บุคคลอื่นนี่คือกําไรชีวิตเกิดมานี่ไม่ใช่หายใจทําให้โลกสกรปรกอย่างเดียวสามารถสร้างโรคให้มันสดใสงดงามได้ในการปฏิบัติธรรมเป็นกําไรชีวิตเนี่ย แล้วถ้าเราทํำในสิ่งที่ยากได้สําเร็จเนี่ยเราจะมีความสุขมากเลยเคยไหมเราทำสิ่งที่มันยากมากแต่ทําจนสําเร็จใจเราจะเป็นอย่างไรโอ้มีความสุขสบายเหมือนยกภูเขาแล้วก็อกออกจากตัวไม่ใช่ยกภูเขาจะโกะยกภูเขาแล้วก็อกโดยออกจากตัวไปเลยมันหมดเนื้อหมาตัวไปเลยนี่คือความสุขที่แท้จริงสุขเกิดจากการที่จิตใจไม่มีความทุกข์ เพราะนั้นญาติธรรมเป็นโอกาสดีแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ร่างกายไม่พิการโชคดีในส่วนหนึ่งแล้วนะส่วนร่างกายใช่ไหมทําไมเราจึงไม่ฝึกจิตใจให้มันพัฒนามากยิ่งขึ้นให้มันดีกว่าร่างกายร่างกายเราก็อยู่แล้วฝึกใจใมันดีเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขได้ด้วยการไม่ต้องลงทุนไดเลย ปฏิบัติทำจะต้สติอยู่แต่ละวันนึงเนนี่แหละอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเนี่ยมันเป็นวิธีบีความสุขอยู่แล้วทุกครั้งที่เรามีความรู้เนรู้ตัวมีสติเนี่ยศีลก็มีครบสมาธิก็มีปัญญาก็เกิดเขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมละชั่วทําความดีใจมันก็มีสงบมันก็ผ่องใสเก็บเกี่ยวบุญกุศลได้แต่ละวันเนี่ยได้ทันทีเลยที่บ้านก็ทําได้ที่ทํางานก็ทําได้ถ้าเรารู้เนรู้ตัวอยู่กับการใช้ชีวิตเนี่ย กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะหายไปเป็นการละชั่วทำดีที่ในพุทธพจน์ตั้งกล่าวไว้ว่าเมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปแต่ละวันเนี่ยละชั่วทำดีตลอดเวลาเลยก็มีคำกรอนที่ในตอนสุดท้ายนี่ก็ จะเสนอคำกรอนของพระกุณเจ้าที่อยู่วัดโสมนัณท่านแต่งไม่ไพเลาะมากท่านแต่งไว้ว่าความรู้ตัวเป็นธรรมสุดล้ำเลิศก่กอให้เกิดกุศลผลสดใสอกุศลทั้งหลายหดหายไปทำอื่นใดหรือจะสู้ความรู้ตัวผู้เองก็ไม่มีอะไรมาฝากนอกจากธรรมะเล็กๆน้อ ย, อยก็คงจะเป็นประโยชน์สาระบ้างกับท่านผู้ฟัง